ได้สนทนากับคณะาชาวอเมริกันเกีเ่ยว่องธรรมะกับธรรมชาติแล้วก็โยงไปถึงเรื่องการอนุรักษ์ป่านะที่ทาโดยพร ะ, ะซึ่งมีหลายแห่งนะรวมทั้งที่นี่ด้วยก็ได้พูดว่าเดี๋ยวนี้นอกจากการเผยแผ่ทาการสอนธรรมะแล้ว การรักษาป่าก็เป็นงานอย่างหนึ่งของพระโดยเพพาะที่นี่ก็มีฝรั่งคนหนึ่งก็ถามว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือการปล่อยวางแล้วการที่พระนี่มาทำเรื่องการอนุรักษ์ป่านี่มันจะขัดแย้งกันไหมอันนี้ก็คิอว่าเป็นคาถามที่ เกิดขึ้นในใจของค น, นจำนวนมากนะนโดยเพราะฝรั่งนะที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ติดใจในะเรื่องการปล่อยวางก็อธิบายให้เขาฟังว่าการปล่อยวางที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะ พูดถึงเนี่ยมาถึงการหมายถึงการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราความยึด ต, ติดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันเป็นที่มางความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยวางได้ก็เป็นสุขแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดแยง้ง นะกับการทํางานของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผยแผ่ธรรมหรือการอนุรักษ์ป่าคนเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นเสมอไปอย่างเช่นการอนุรักษ์ป่านี้ก็ไม่ใช่ว่าทําเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นว่าป่านี้เป็นของเราถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเรานะก็ยัง เห็นว่าควรกับการอนุรักษ์ไว้คนเราเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันบางคนทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเร า, าเป็นของเราแต่บางคนอาจจะทําด้วยแรงจูงใจอย่างอื่นหรือด้วยสาเหตุอื่นอย่างเช่นการอนุรักษ์ป่าในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําเพราะว่ายึดมั่นมาเป็นของเราแต่ว่าทํา เพราะรู้สึกถึงบุญคุณของป่าเหล่านี้ต้องการจะตอบแทนบุญคุณนะป่าธรรมชาติที่ได้ให้ความสงบได้เป็นที่สปาะยะนะแก่พวกเราในการประพฤติปฏิบัติธรรมช่วยรักษาให้ปลอดภัย ถ้าไม่มีป่าก็การปฏิบัติธรรมหรือการอยู่อาศัยก็คงจะลำบากาเมื่อเราเห็นสำนึกในบุญคุณของป่าแบบนี้แล้วนะเราก็ควรที่จะช่วยกันปกป้องรักษาป่าด้วยแต่ก่อนอการรักษาป่านี่มันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะไม่มีใครจะมาทำร้ายมาลังความป่า เพียงแค่เรามาอยู่ในป่าปรับตัวเข้ากับป่าก็พอแล้วนะแต่จุดนี้ น, นี่ต้องรักษาคุ้มครองเขาด้วยเพราะเขากำลังเจออันตรายอันนี้ก็การรักษาป่าก็ทำไปด้วยความสำนึกในบุญคุณต้องการตอบแทนบุญคุณเขาหรือว่าจะทำด้วยแรงผลักดันหรือว่าทำด้วยความเมตตากรุณาก็ได้ ความเมตตากรุณาก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความอยากจะช่วยให้ใครก็ตามผลนทุกข์เมตตากรุณานี้ที่มีต่อป่านะมันก็เป็นแรงผลักดันให้ทำอะไรเพื่อรักษาป่าก็ได้ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นป่าของเราเท่านั้นนะถึงจะ ถึงจะรักษาถึงไม่ใช่ป่าของเรานะถ้ามีเมตตากรุณามันก็ทำให้อยากจะไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่เฉพาะกับป่านะกับสัตวนะ์กับผู้คนก็เหมือนกันถึงไม่ใช่เพื่อนของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่าถ้ามีเมตตากรุณาแล้วก็มี แรงจูงใจที่อยากจะไปช่วยเขาและการไปช่วยนั้นก็ไม่ยังเป็นต้องทําไปได้วยความคิดมั่นว่าจะต้องได้สําเร็จผลตามนั่นตามนี้ก็คือทําไปตามเหตุตามปัจจัยสําเร็จก็ช่างไม่สําเร็จก็ช่างแต่ว่าก็ได้ทําแล้วนะแต่แน่นอนนะเมื่อทําแล้วก็ต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลมากที่สุด ไม่มีความเข้าใจผิดมากนะว่าจะทำอะไรนี่ก็ต้องทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าทำด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอย่างเช่นเวลาเรามันมีหลายเหตุผลมากที่เราจะทำสิ่งต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา อย่างเช่นเราไปยืมรถไปยืมโทรศัพท์ใครมาไปยืมคอมพิวเตอร์ใครมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราก็จริงนแต่ว่าเราก็สมควรจะดูแลรักษาให้ดีอาจจะด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจะใช้มันยังไรก็ได้ ใช้มันอย่างปูยี่ปูยำไม่ดูแลรักษาใครที่ทำอย่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่รับผิด ช, ชอบหรือว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบยืมของเข้ามาแล้วไม่ดูแลรักษาอย่างนี้มันจะน่าคบได้อย่างไรส่วนใหญ่เราก็เราทุกคนพอถ้าเราไปยืมของใครมาเราก็ดูแลอย่างดีไม่ใช่เพราะมันเป็นของเรานะแต่เพราะว่า เป็นความรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเหตุผลนั่ น, นึงที่ทำให้คนเรานะทำสิ่งต่างๆทงั้งๆที่ไม่ได้มีความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของธรรมชาติแต่เมื่อมันเจ็บป่วยก็สมควรดูแลนะไม่ใช่ว่าพอเอเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เลยไม่ดูแล อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนโง่เพราะว่าเรายังสมควรใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์ก็ต้องดูแลหรือว่าจะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะร่างกายนี้ก็ได้แต่ถึงแม้จะไม่รู้สึกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณนะแต่มองว่าร่างกายนี้มันยังเป็นอุปรกรณ์เป็นเครื่องมือที่ทำให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ช่วยให้เราเข้าถึงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นหรือเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะก็สมควรเหมือนกับดูแลเรือนะเรือจะใช้ข้ามฝั่งแม้ไม่ใช่เรือของเรานะแต่ว่าก็สมควรดูแลรักษาให้ดนะีเพื่อพาให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งให้ได้ไม่ต้องเข้าใจเรื่องความปล่อยวางให้ถูกต้อง ว่าถึงจะปล่อยวางอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าวางเฉยนะเมื่อรักศึกปีก่อนเยัเคยมีคนมาแอบตัดสมุนไพรในวัดก็มีชาวบ้านมาแจ้งสมัยนั้นยังไม่มีกำแพงพอผมรู้ก็ชักชวนพระให้ไปช่วยกันตามหน่อยไปช่วยกันดูหน่อยนะว่า เขาตักสมุนไพรกันตรงไหนเพราะอย่างที่บอกเมื่อวานนะ่ะเพียงแค่คนตักสมุนไพรรู้ว่ามีพระมาตามหาศอดสองนี่เขาก็ถอยเขาก็หนีไปละเขาไม่กล้าเผชิญหน้าอ่ะก็มีผ้าหลายรูปท่านก็ร่วมมือช่วยกันแต่ก็มีรูปหนึ่งไม่สนใจนะพระรูปนั้นตอนหลังก็บอกกับเพื่อนว่าผมปล่อยวางแล้ว ผมปล่อยวางแล้วก็เลยไม่ได้ไปทำอะไระในเรื่องการช่วยป้องกันสมุนไพรในวัดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคือเข้าใจว่าถ้าปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยปละละเลยแล้วต้องถามว่าปล่อยวางนี่ปล่อยวางอะไรถ้าปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ป่าของเรามไม่ใช่ป่าของฉัน เพราะฉะนั้นแปลว่าฉันไม่สนใจมันก็แสดงว่าจะสนใจเฉพาะที่มันเป็นของฉันใช่ไหมความคิดความเขา้ า, เขาใจวนนี้ก็จะคับแคบก็กลายเป็นความเพียงกับตัวแบบนี้คือจะทําก็ต่อเมื่อเป็นของฉันถ้าไม่เป็นของฉันฉันก็ไม่ทําไม่สนใจไม่ดูแลอันนี้แหละคือความเพียงกค่ตัวแบบหนึ่งคือเอาก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยเอาเอาอัตตาหรือตัวตนเป็นที่ตั้ง ถ้าเป็นของฉันฉันดูแลถ้าไม่ใช่ของฉันฉันไม่สนใจนะมันไม่ใช่ธรรมาธิพย์ไนตะ่ชาวผู้เราจำนวนไม่น้อยอยังเข้าใจเรื่องการปล่อยวางไม่ถูกต้องคือเข้าใจปล่อยวางคือปล่อยปละละเลยนะไม่หรือว่านิ่งดูไดนะ้ปล่อยวางในพุทธศาสนาทน่านในเรื่องเป็นเรื่องการทำจิตทำจิตทาจิตปล่อยวางแต่ว่ากิจก็ยังทำอยู่ กิจในที่นี้คือก่อกายสีจจาร์แปลว่ากระทําหรือหน้าที่ที่ทยังทําอยู่ปล่อยวางเนี่ยท่านหมายถึงการทําจิตไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยไม่ทํากิจอะไรการทํากิจโดยใจที่ปล่อยวางก็ยังเป็นไปได้เหมือ น, นกัเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเรามาจเจริญสติ แน่นอนเรามาด้วยความอยากจะพบกวับความสงบอยากจะเกิดปัญญาอยากจะพ้นทุกข์แต่ทันทีที่เราเริ่มลงมือสร้างจังหวะเริ่มเดินจงกรมนะก็ควรที่จะปล่อยวางปล่อยวางผลที่อยากจะให้เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าใจเรายังยึดติดกับผลที่อยากจะให้เกิดขึ้น อันนั้นแสดงว่าใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไปอยู่กับอนาคตลผลที่จะเกิดขึ้นก็นคืออนาคตนั่นเองทันทีที่เรามาเจริญสตนินี่เราต้องน้อมใจให้มาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทำก็คือว่ารู้ดูแต่เฉพาะทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างที่เราสวดมน์นะบทหนึ่งนะ่ที่ว่า ผู้ได้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพอ่อปุญอาการเช่นนั้นไว้เราเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็สนใจแต่ธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าส่วนอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออยากให้เกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดก็วางเอาไว้ก่อ น, เ, นเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําเต็มที่ด้วยใจที่ปล่อยวาง ปล่อยวางอาดีตเอาวางอนาคตวางปล่อยวางผลที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติได้อย่างไม่เครียดและเวลาเราทํางานแล้วทํางานด้วยใจแบบนี้ก็จะไม่เครียดนะเพราะส่วนใหญ่เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะไปยึดติดถือมั่นในผลนะที่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นสักที อยจะให้ใจสงบอยากจะให้หยุดฟุง้งซ่านแต่มันไม่สงบสักทีมันไม่หยุดฟุ้งซ่านสักทีก็เครียดแต่ถ้าเกิดใจอยู่กับปัจจุบันสับแต่ว่ารู้ ร, รู้รู้เฉยเฉยใสิ่งที่เกิดขึ้นสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้หงุดหยุดก็รู้ผ่อนคลายสบายก็รู้นะรู้ไปอย่างเดียวมีเสียงมากระทบเสียงดังแค่ไหนก็รู้เฉยเฉยนะไม่ไป ไม่ไปยึดติดถือมั่นจนก่าทั่งใจกับเพื่อมหรือไม่ไปผักใสมันจนกรทั่งเกิดความม ด, ดจิตรำคาญใจแล้กระทั่งเสียงที่ได้ยินก็วางซะมันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามอารมณ์ภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรืออารมณ์ภายในคืออารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นนะก็วางแต่ว่ากายนั้นก็ยังทำงานก็คือยังเดินต่อไปมือก็ยังยกมือ สร้างจังหวะต่อไปอันนี้เรียกว่าทำด้วยใจที่ปล่อยวางเป็นการทำจิตแล้วก็การทำกิจนะทำจิตก็คือใจปล่อยวางแต่กิจก็ยังทำอยู่แม้จะไม่ใช่เป็นการสร้างจังหวะหรือเป็นการเดินจงกรมหรือเป็นการภาวนาในรูปแบบจต่เป็นการทำครัวซักผ้ากวาดพื้นทาความสะอาดอันนี้เราทากิจทากิจ อันนี้ต้องทําอยู่แล้วพระก็ต้องไปบินธบาะก็เป็นการทํากิจแต่ว่าใจหรือจิตนั้นเนี่ยมันปล่อยวางปล่อยวางอย่างน้อยก็ปล่อยวางเรื่องอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวทําหน้าที่เพียงแค่รู้ทําที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทําในที่นี้ท่านใช้ความหมายที่กว้างนะอาจจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มาปรากฏมากระทบกับเราหรือจะหมายถึงอารมณ์ความคิด รวมทั้งเวทนาที่ปรากฏแก่เราก็ได้ก็รู้นะรู้โดยไม่เข้าไปเป็นถ้าเข้าไปเป็นนี่มันไม่เรียกว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันจมหายเข้าไปแล้วมันหลงไปละลืมตัวไปแล้วะนั้นประโยชน์เนี่ยสาคัญมากเลยนะผู้แด่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่งอนงันคลอนแคลนนี่นะ ก็คือไม่กระเพื่อมไม่หวันไหวเจออารมณ์ที่น่าพอใจนะก็ไม่เคลิ้ไม่คล้อยนะไม่นึกอยากไฝ่หาเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปักไสก็ยังคงตั้งมั่นนะตั้งมั่นอยู่บนตัวรู้นะยังรับรู้ยังมีความรู้สึกตัวอยูนะ่เป็นความรู้สึกตัวที่ทําให้ สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่ปกตินี่เรียกว่าไม่ง่อนงันค่อนแคลงและตรงนี้แหละนาะที่จะทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมันเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่ไปคาดหวังหรือคอยลุ้นให้มันเกิดขึ้นจับการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำทำจิตแบบนี้นะการทากิจการงานต่างๆก็จะทาได้ด้วย ด้วยความจเรีวยกว่าด้วยความสุขก็ได้คือไม่เครียดแล้วก็ผลก็ออกมาดีด้วยเพราะว่าพอวางจิตวางใจแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสมาธิและพอไม่เครียดรู้สึกผ่อนคลายปัญญาก็จะออกมาได้ดีแต่คนเราถ้าเครียดนี่ปัญญามันออกมาได้ยาก หรือว่าความสามารถก็จะออกมาได้ไม่เต็มที่อย่างนักฟุตบอลเนี่ยที่เขาเก่งๆ เ, เนี่ยถ้าเขาเวลาเขาจะเตะลูกโทษในพนัดสําคัญเนี่ยถ้เครียดเมื่อไรนะก็มักจะเตะไม่เข้าแต่บางที่เวลาซ้อมนิดเตะร้อยครั้งก็เข้าสักเกครั้งแต่ว่าพอมาเตะในนัดสําคัญถ้าคนดูเป็นไม่ใช่หลายหมื่นนะแต่ว่าหลายล้านทางจอโทรทัศน์ เป็นนัดตัดเชื่อกถ้าเตะไม่เข้าก็อาจจะแพ้ตกรอบแรงกดดันก็มากความเครียดก็สูงพอเครียดแล้วนี่ไอความสามารถที่มีนี่มันก็หดหายไปหมดเตะผิดเตะถูกแม้กระทั่งนักฟุตบอลระดับโลกชื่อดังแต่ถ้าใจเป็นสมาธิตัดเรื่องอื่นไปหมดไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้นตานี่หรือใจนี่รับรู้แต่ฟุตบอลแล้วก็ ประตูข้างหน้าไม่สนใจอย่างอื่นจิตเป็นสมาธิอยู่กับปัจจุบันไม่ไม่สนใจผู้รักษาประตูด้วยซ้ำว่าจะมาก่อกวนมารังควานแค่ไหนมาทําให้ใจวอกแวกก็จะพบว่าพออยู่ในภาวะเช่นนี้ความสามารถมันก็ออกมาเต็มที่การแตะ ม, มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้ า, าเต่ให้เข้ากลายเป็นเรื่องง่าย ที่ไม่ว่าจะเป็นทางโล่งทางธรรมเนี่ยนะมันก็ใช้ท่าทีเดียวกันคือว่าทำใจใจนี่ปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำกิจมันก็จะทำได้เต็มที่ไม่ใช่ปล่อยวางแล้วก็เลยปล่อยป ล, ยปลแลวเลยเฉยแชะไม่ใช่เลยยิ่งปล่อยวางยิ่งทำกิจได้อย่างเต็มที่นะมีความเพียรมีความภาคเพียรออกมาอย่างมากมาย การทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนี่เป็นไปได้ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสที่จริงหลวงพ่อเถียนก็สอนแบบนี้นะแล้วก็แนะนำนักปฏิบัติว่าทําเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆเล่นๆคือว่าทํำด้วยใจที่ปล่อยวางผลมันจะเป็นยังไงมันจะฟุ้งไม่ฟุ้งก็ช่างมันทําไปเรื่อยๆกอให้รู้อย่างเดียว ไม่รู้ไม่เป็นไรก็ยังทำต่อไปรู้บ้างหลงบ้างก็ทำไปถ้าทำไม่หยุดหรือทำไปจริงๆจังๆตั้งแต่ช่อจดเจนเดี๋ยวมันต้องรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นตอนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันหนักไปในทางความฟุ้งซ่านรู้ตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วรู้ตัวปุ๊บเดีย ว, เ ด, ย ว, ว, เ, ดยวเดี๋ยวก็เผลอคิดอีกแล้วทำยังไงทางานมันก็ มันก็เทไปทางนั้นนอกกปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกได้เลยมันรู้ตัวแค่ไม่กี่ขณะแล้วก็เทไปไปสู่ความฟุ้งซ่านคิดมากเหลือเกินแต่ว่าถ้าถ้าทำเล่นๆไปทาเล่นๆไ ป, ไ, ปนะไม่ทิ้งความเพียรพยายามทีละน้อยจีะน้อยความรู้สึกตัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถ้ถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเกิดภาวะที่เรากั้มกึ่งกันเหมือนกับมันยื้อแย่งกันระหว่างความรู้ตัวความหลงระหว่างความมีสติความลืมตัวมันจะยื้อแย่งกันแต่ถ้าทําต่อไปไม่หยุดแล้วทําถูกมันก็จะเทไปในทางความรู้ตัวแล้วคราวนี้ความรู้ตัวก็จะมากกว่าความไม่รู้ตัวตสติ ความรู้ทันมันก็จะทำงานได้เร็วจะมีความความลืมตัวก็จะน้อยลงความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะมีความสงบมาแทนที่เป็นความสงบเพราะความรู้ตัวมันเทไปทางนั้นแล้วตอนนี้อันนี้เพราะว่าวางใจไว้ถูกนะคือทำเล่นๆ น, นะแต่ทำจริงๆหรือทำไม่หยุดนะหรือว่า ทำด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางผลที่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นความสงบหรือว่าการมียารู้รูปนามการเข้าใจลวงรูปนามหรือว่าการเข้าใจาาาาใจลับวางให้หมดเมื่อเราเริ่มต้นที่ทํนการทำงานหรือการภาวนาดยใจปล่อยวางนี่มันมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลย โดยมีคนมาถามว่าก็คงอายุไม่มา ก, ก น, นะบอก ว, ว่าหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่พักใหญ่เขารู้สึกว่าความโลภนะมันน้อยลงตัณหามันลดน้อยลงและการทำงานเขาก็พบว่ามันเริ่มขาดความกระตือรือร้น จะเรียกว่าเริ่มจะทํางานแบบเฉยๆใจหนึ่งก็รู้สึกเป็นห่วงว่าถ้าทําแบบนี้เรื่อยไปเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหรือเปล่าก็บอกเข้าไปว่า ก, การที่ตันธามันลดลงความอยากมันลดลงนี่เป็นของดีแต่ว่าเมื่อความอยากลดลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เฉ่ยชาหรือขี้เกียจ น, นะ เพราะคนเราทำงานด้วยหลายหลายเหตุหลายสายเหตุทำงานด้วยแรงจูงใจต่างกันไม่ใช่ว่าจะทำด้วยแรงจูงใจคือความอยากหรือตันหายอย่างเดียวหลายคนเขาไม่ได้ทำงานเพราะอยากได้เงินเดือนมากๆหลายคนทางานทั้งนั่งที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีผลตอบแทนแต่ก็ทำคือเป็นจิตอาสาบางคนมีเงินเดือนเดือนน้อยแต่เขาก็ทำ และทําได้อย่างเต็มที่ด้วยเพราะเขามีฉันทะเขามีความรักในงานนั้นเขาไม่ได้อยากได้อะไรจากงานไม่ได้อยากได้เงินทองอยากได้ชื่อเสียงใจเขามีความรักในงานรักในงานที่รู้ชันทะอย่างที่เราสวดเมื่อวานว่าพอใจนะความพอใจฉันทะในในบทที่ว่าสามมา ว, วายามะมีความพอใจใเกิดขึ้น ป่นโรความเปลียรประของตั้งจิตไว้เนี่ยให้ความพอใจเนี่ยที่จริงถ้าจะแปลว่าความรักนะความรักหรือความชอบในในงานนั้นเมื่อมีชันท้ในงานนะก็ทําให้อยากทํางานมีความเพียรในการทํางานถึงแม้ว่าจะทําฟรีก็ทําถึงแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนน้อยในรูปวัตถุก็ทำนะหรือว่าทําเพราะว่าอยากจะใช้ความสามารถออกมาให้มันเต็มที่ เพรู้สึกว่าทําแล้วชีวิตมีคุณค่าถ้าไมไ่ทำแล้วมันหงอยเหงานะหรือว่าชีวิตว่างเปล่าก็มีหลายคนนะทำเพราะเหตุ น, นี้กเกษียณแล้วมีอะไรให้ทําหรือว่าจะขอทําเป็นจิตอาสาก็ทําเพราะว่าทําให้รู้สึกว่าได้ใช้เวลาให้มีประโยชน์หรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการทําเพราะว่าตัณหา หรือว่าความอยากที่จะได้รางวัลได้เงินเดือนได้ตำแหน่งหรือได้ความก้าวหน้าด้วยซ้ำว่าฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจว่าถ้าตันหามันเบาบางแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความเฉยเหนืยไม่ใช่เลยนะก็ยังมีความขยันได้ที่จริงความเฉยเหนือยความเกียจคร้านนี่ก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งนะมันเป็นความรักสบาย ยิ่งตันหาน้อยลงเนี่ยยิ่งขยันอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะั้นท่านเน้นเลยนะว่าเนี่ยในการทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยทำด้วยความเพียรทําด้วยความพยายามยิ่งมีความไม่ประมาทก็ยิ่งมีความขยันมากขึ้นตันหาลดลงนี่กลับทําให้ทํางานอย่างอย่างเต็มที่หรือภาวนาอย่างเต็มที่ได้ซ้ําไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็าสามารถจัดทาได้ด้วยความเพียรพยายาม บิดามันมาเองโดยเพราะเมื่อมีฉันทะถ้าฉันทะคือความรักในงานเกิดขึ้นจากการที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำํำคุณค่าในทางที่เป็นประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ตนในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงเงินเดือนรางวัลชื่อเสียงกิตติยศแต่หมายถึงว่าการที่มันช่วยพัฒนาตนฝึกฝนตนพัฒนาตนให้ ให้มีคุณภาพจิตที่ดีให้มีสติปัญญามากขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ตนหลายคนก็ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับแก่ตนเองในแง่ของการพัฒนากุศสรธรรมให้เกิดขึ้นหรือเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะต่อสรรพสัตว์ ต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อส่วนรวมก็ทําอันนี้เรียกว่าทําด้วยไม่ได้ทําด้วยตัณหาไม่ได้ทำด้วยความยึดติดถือมัน่นในเรื่องเราว่าเป็นเราว่าเป็นของเราหรือว่าทําด้วยอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยนี่มันไม่ใช่การปกครองนะเวลาพูดถึงที่ิปไตยทีปิปไต่เนี่ยอย่าไปสัสบสนปนกับประชาธิปไตยอัตตาธิปไตยในที่นี้หมายถึงว่าทําอะไรเนี่ย โด้วย อ, าอการที่เอาอัตตาเป็นใหญ่เอาตนเป็นใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นถึงเรื่องการไปสนองกิเลสไปสนองอัตตาตัวตนแต่ถ้าเป็นการทำโดยเอาธรรมะเป็นใหญ่มุ่งพัฒนากุศลธรรมในใจให้เกิดขึ้นจเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นอันนี้เรียกว่ารรมมาธิปไตยหรือทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความดีงามเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยแลวการการปล่อยวางหรือการทำงานด้วยใจปล่อยวางมันก็จะไปเสริมกั บ, กบธรรมาธปไตยได้ในเวลาเราภาวนาเนี่ยก็ให้ลองสำรวจดูนะว่าเราทำด้วยท่าทีแบบไหนด้วยใจแบบไหนปล่อยวางหรือเปล่าอย่าไปมองว่ า, าการปล่อยวางมันจะทำให้ การภาวนาของเราการทางานของเรามันเฉยชาจริงๆคุณภาพจิตที่เกิดจากสมาธิเนี่ยจะมีคุณภาพชนิดหนึ่งที่เรียกว่านุ่มนวลควรแก่การงานนะเวลาทำสมาธิเนี่ยนะจิตมันจะมีลักษณะที่ท่านเรียกว่ากรรมนิโยก็คือว่าควรแก่การงานถ้าทำสมาธิถูกเนี่ยนะ มันจะทําให้ทํางานทํากายงานได้ดีถ้าทําสมาธิแล้วช่วยเนยนะกลายเป็นเกิดนิวรณ์เกิดทินมิตาคืออันนี้มันไม่ใช่สมาธิหรือไม่สัมมาสมาธิแล้วถ้าสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะจิตที่ควรแก่กายงานเป็นเพราะจิตที่นุ่มนวลยืดหยุ่น ถ้าไม่ควรอย่า ก, การงานถ้าเฉยเหนื่อยเป็นปฏิปัตกัการงานนี่แสดงว่าไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วมันเป็นวิชาสมาธิแล้วต้องเข้าใจนะเรื่องเรื่องประโยชน์หรือว่าท่าทีประโยชน์ของการปฏิบัติกั บ, กบท่าทีในการปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกันการปล่อยวางก็ดีนะหรือว่าการทําสมาธิก็ดี จิตเป็นสมาธิก็ดีไม่ได้ขัดแย้งกับความเพียรพยายามไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อวิริยะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทากิจมันกลับเสริมกันด้วยซ้ำเอาละชาวนที่กักบุท่ทนนี้อะ